บางคนเนี่ยนะอยู่ด้วยอาณพิชชาความไม่เพ่งเล็งเนี่ยนะบางทีก็อยู่ด้วยความทุกข์เหมือนกันนะคนอื่นเขาดูดถูกเขาเหยียดยม้มเขาดูหมิน่นเขาอยาเหยียดยามเป็นต้นเนี่ยนะเพราะในบางสังคมเขาชื่นชมคนที่มีอาพิชชามากๆเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราก็เดือดร้อนแหะมาทุกข์แต่ว่าก็เป็นปัจจัยแห่งความสุขบางพวกเนี่ยนะาการที่เราไม่มีจิตคิดพยาบาทเนี่ยนะไม่รู้จักโกรธบางทีก็ทุกข์เพราะไม่โกรธเหมือนกันนะ ถามว่าทำไมเพราะคนอื่นก็จะเบียดเบียนเราเขาก็จะแกล้งเขาจะรังแกเขาจะอะไรเป็นต้นแต่ว่าการที่เรามีจิตไม่พยาบาทก็เป็นเหตุแห่งความสุขในอนาคตจริงๆแต่ที่เราทุกในปัจจุบันก็เพราะอากุศลบางอย่างที่เราเคยทําในอดีตเป็นปัจจัยนั่นแหละนี้การมีความเห็นถูกเนี่ยนะไอการมีสัมมาทิฏฐิบางทีก็ทุก โทมนัสในปัจจุบันอย่างการที่เรารู้บุญรู้บาปรู้ดีรู้ชั่วเนี่ยนะตกไปอยู่ในบางกลุ่มบางสมาคมเนี่ยการที่เรามีสัมมาทิฏฐิเนี่ยเราก็เดือดร้อนเราก็ลําบากเนี่ยนะเช่นว่าเรารู้บุญรู้บาปแล้วเราต้องไปร่วมคำว่าไปเกิดไปอยู่ในสถานที่เดียวกันกับคนที่เขากําลัง ทำบาปเนี่ยเราก็ทุกข์ละเราก็เดือดร้อนแล้วเราไม่มีความสุขเลยอย่างเราเนี่ยมีกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิเรารู้ว่าการฆ่าสัตว์มีผลแล้วเราไปอยู่ใกล้กับคนฆ่าสัตว์เนี่ยเราก็เดือดร้อนเรารู้ว่าทินนาทานมันมีผลให้ผลเป็นทุกข์นเนี่ยนะแล้วเราไปอยู่ใกล้กับคนเหล่านะั้นเราก็เดือดร้อนนะไปอยู่กับใกล้กับคนที่เป็นพวกทําทุจษษริตกรรมเราก็เดือดร้อนแม้ได้ข่าวได้ฟังเป็นต้นเนี่ยนะ เราก็ลำบากแต่ความทุกขเหล่านี้ที่เกิดจากปัญญาเนี่ยนะเกิดจากสัมมาทิฏฐิก็เป็นปัจจัยแห่งความสุขต่อไปในอนาคตหรือการเจริญวิปัสสนาเป็นต้นเนี่ยนะการเจริญสมถวิปัสสนาบางทีก็ทําด้วยความเหนื่อยยากลําบากเหมือนกันแต่ก็ให้ผลเป็นสุขต่อไปในอนาคตพ่านบางคนเนี่ยรักษาศีลประพฤติ ธ, ธรรมเนี่ยนะการรักษาศีลการประพฤติ ธ, ธรรมรักษากายสุจิตวจีสุจริตมนโนสุจริตในปัจจุบันเนี่ยเป็นทุก แต่ว่าต่อไปให้ผลเป็นสุขพ้นพ ร, ะ, พระองค์ตรัสว่าเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเขาเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เนี่ยนะทีนี้ในกลุ่มสุดท้ายเนี่ยนะกลุ่มสุดท้ายก็คือสิ่งที่เป็นความสุขในปัจจุบันและให้ผลเป็นความสุขต่อต่อไปในอนาคตพวกนี้เรียกว่าเจริญกุศลอย่างมีความสุขแต่ก็ไม่มากนะแต่ก็พอมีแต่ก็ไม่มากเช่นว่างดเว้นจากปาณาติบาต พร้อมกับสุขโสมนัสเพราะเว้นจากการฆ่าเป็นปัจจัยก็มีแต่ความสุขโสมนัสบางคนเนี่ยมีความสุขในการงดเว้นจากอธินนาทานมีความสุขเพราะงดเว้นจากอธินนาทานบางคนนี่มีความสุขเพราะงดเว้นจากกาเมสุมิฉาจามีความสุขเพราะงดเว้นจากมุสาวาตมีความสุขเพราะงดเว้นจากปิสุนาวาจามีความสุขเพราะงดเว้นจากพุษวาจามีความสุข เพราะงดเว้นจากสัมผัสปลาปะมีความสุขเพราะเจริญอาณพิชามีความสุขเพราะเจริญอัพยาบาทมีความสุขเพราะเจริญสัมมาทิฏฐิสรุปว่ามีความสุขในการทำญากรยตุสุจริตมีความสุขในการพูดวจีสุจริตมีความสุขในการคิดที่เป็นมโนสุจริตเพราะฉันพวกนี้สุขทั้งในปัจจุบันและสุขต่อต่อไปเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเขาเข้าถึงสุขคติโลกสวรรค์ นะพวกนี้ก็สุขปัจจุบันแล้วก็สุขต่อตอไปก็นะว่าเป็นพวกที่มีบุญมากอดีตเนี่ยทำบุญมาดีพวกนี้มีความสุขในการรักษาศีลเนี่ยมีความสุขในการประพฤติ ธ, ธรรมมีความสุขในการรักษากุศลกรรมบดพ้นแห่งการรักษาศีลกุศลกรรมบดก็เป็นปัจจัยแห่งความสุขต่ อ, ต, อต่อไปสูตรนี้เนี่ยจริงๆแล้วสูตรเนี่เป็นสูตรที่เป็นอาหารของสัมมาทิฏฐิเป็นอย่างดี บางพวกเขาบอกว่าเขาเรียนปฏิจจสมุปบาทมาเยอะแต่ว่าวินิจฉัยข้อมูลเหล่านี้ไม่แม่นก็น่าสงสารเพราะความรู้อันนี้จริงๆนั่นแหละคือปฏิจจสมุปบาทอีกวิธีหนึ่งที่พระพุทธเจ้าสอนอ น, นะศขในปัจจุศกในปัจจุบันทุกต่อไปทุกในปัจจุบันทุกต่อไปเอาใหม่นะทุกในปัจจุบันทุกต่อไปสุขในปัจจุบันทุกต่อไปทุกในปัจจุบัน สุขต่อไปสุขป e ัจจุบันสุขต่อไปเนี่ยนะแต่ก็ต้องแยกกุศลอกุศลเนี่ยนะแยกกุศลอกุศลแยกกุศลกรรมบทอกุศลกรรมบทเพราะบางคนเนี่ยทุกในการทําอกุศลกรรมบทแต่อกุศลกรรมบทก็ให้ผลเป็นทุกข์เพราะมันเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายบางคนนี่ถึงจะมีความสุขในการทําอกุศลกรรมบทแต่อกุศลกรรมบทก็ให้ผลเป็นทุกข์ต่อไปบางคนเนี่ยนะมีความทุกในการรักษากุศลกรรมบท แต่ศีลทั้งหลายก็ให้ผลเป็นสุขต่อไปบางคนมีความสุขในการรักษาศีลแต่ก็ศีลเหล่านั้นก็ให้ผลเป็นความสุขต่อไปเพราะอะไรเพราะกุศลก็คือกุศลที่ไม่มีโทษและให้ผลเป็นความสุขอา ก, กุศลก็คืออา ก, กุศลคือสิ่งที่มีโทษและให้ผลเป็นความทุกข์ต่อต่อไปเนี่ยนะทีนี้ ต่อไปเนี่ยนะพราะองค์ก็เปรียบเทียบอุปมาในข้อห้าสบหน้า378ภดิกษุสูนทั้งหลายน้ำเต้าขมเจือด้วยยาพิษทีนั้นมีคนอยากเป็นไม่อยากตายรักสุขเกลียดทุกข์มาถึงพวกคนก็จะกล่าวว่านี่เนนายนี้เป็นน้ำเต้าขมเจือยาพิษเนี่ยนะถ้าคุณประสงค์ก็จงดื่มเถิดเพราะว่าขณะที่คุณกำลังดื่มมันอยู่นะั่นแหละม จะไม่อาจียนเพราะสีและกลิ่นและเพราะรสเลยแต่ท้าว่าเมื่อคุณดื่มเสร็จแล้วจะตายหรือไม่อย่างนั้นก็จะทูกปางตายไอ้คนนี้หิวกระหายมาก็เลยมาดื่มน้ำเต้าขมนั้นน้าเต้าขมที่เจือด้วยยาพิษเนี่ยนะโดยที่ไม่ยอมบ้วนทิ้งเลยกลืนเข้าไปเบ็ดเสร็จและขณะที่เขากลืนเนี่ยนะ ไม่ว่าสีกลิ่นรถก็ไม่ทำให้อาจเจียนแต่ว่าดื่มเสร็จก็ตายหรือว่าทุกบางตายฉันใดพวกที่สมาทานแล้วปฏิบัติในสิ่งที่เป็นทุกปัจจุบันและเป็นทุกต่อไปก็ฉันนั้นมันพวกที่ล่วงอกุศลกรรมมาบทด้วยความทุกเนี่ยนะก็แล้วก็ทุกต่อไปด้วยก็เหมือนกับคนดื่มยาพิษ ท, ที่อยู่ในน้ำเต้าขมหรือว่าในบวบขม บวบขมเนี่ยยาขนาดว่าเอานิดนิดมามามามาทานเนี่ยนะก็ยังทั้งอาเจียนทั้งทายทั้งทายทั้งอาเจียนเนี่ยนะไอ้ต้นบวบบวบขมเนี่ยมันร้ายแรงมากถ้าน้ำเต้าขมก็ลักษณ ะ, ล ะ, ละเดียวกันมันเป็นสิ่งที่มีโทษแล้วผสมยาพิษเข้าไปอีกเนี่ยนะไอ้ตอนกินนี่มารสชาติห่วยสิ้นดีเลยนไม่ไม่สับประรดอะไรเลยแล้วก็ต่อไปในอนาคตล่ะให้ผลนะผลแห่งยาพิษเป็นยังไง การทําบาปของบางคนปัจจุบันก็ทุกทุกหนักพราะอาชีพการทําบาปใช้ชีวิตด้วยตาหน้าที่บาตอธินนาทานกาเมเป็นต้นเนี่ยทุกข์ร้อนเดือดร้อนลาบากแล้วผลที่จะมีต่อไปในอนาคตก็เดือดร้อนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรียกว่าดื่มดื่มยาพิษมันมีรสขมมา ง, งั้นเถอะเดือดร้อนทั้งปัจจุบันและต่อตไปเมื่อไหนเหมือนคนดื่มเหล้าก็ยมเฮ่เหล้ามันไม่ได้หวานเลยนะไม่ได้หวานเหมือนน้ำหวานอะไรน้ำหวานเฮบลูบอยเนี่ยนะเมือ่อก่อนไปกโยมคนหนึ่ง ไม่เอ่ยเชื่อแล้วว่าแกอยู่แถวนี้บอกรสชาติมันไม่ได้ดีเลยขวดหนึ่งตั้งหลายพันเนี่ยนะไม่ได้แพงเท่าวิตามินเลยนะ่ยนะซื้อเหล้าได้แต่ซื้อวิตามินบํารุงร่างกายบ้างไม่ยอมเนี่ยประหยัดเนี่ยนะอดออมเนี่ยเลยยอมเป็นวัดฟึดฟาดฟึดฟาฟดฟานั่งอยู่ใกล้ๆนะีอีกพวกหนึ่งเนี่ยนะบางพวกก็บอกว่ามีหม้อน้ําสํำร็จเนี่ยนะพวกที่สองนะหม้อน้ําสํำร็จสีกลิ่นก็หอมรสก็อร่อยแต่ว่า เป็นน้ำเจื อ, อยาพิษเนี่ยนะแม้เป็นเรียกว่าอะไรนะหม้อนี่สวยมากน้ําก็หอมกลิ่นก็หอมรสก็อร่อยเป็นต้นแต่มันผสมยาพิษชนิดร้ายแรงเข้าไปเขาบอกว่าคราวนี้คนที่ไม่อยากตายรักสุขเกลียดทุกอีกคนหนึ่งก็บอกเขานี่นนายหม้อน้ําสำริดสีก็งามกลิ่นก็หอมรสอร่อยแต่ว่า ไอหม้อน้ำสำเร็จอันนี้มันเจือด้วยยาพิษถ้าคุณต้องการก็ดื่มเถิดถ้าคุณดื่มกําลังดื่มสีกลิ่นรสไม่ทำให้อาเจียนแต่ถ้าคุณดื่มเสร็จคุณจะตายหรือทุกเจียนตายเขาก็เลยดื่มโดยไม่ยอมพิจารณาแล้วก็ไม่ยอมบ้วนทิ้งด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อเขากาลังดื่มอยู่นั่นแหละเกิดอ่านะ ไม่เกิดอาเจียนเพราะสีกลิ่นหรือรสแต่ว่าดื่มเสร็จแล้วก็ถึงตายแล้วก็ทุกปางตายฉันใดอันนี้กรรมสมาทานหรือว่าสมาทานแล้วปฏบบิบัติบางอย่างจริงปัจจุบันนี้เขามีความสุขแท้เนี่ยนะแต่ว่าผลต่อไปที่จะมีในอนาคตก็เดือดร้อนทีนี้พวกที่ปฏิบัติสุขในปัจจุบันแต่ให้ผลเป็นทุกข์ในอนาคตละ่ะเปรียบเหมือนว่ามีน้ํามูด อนะันนะั้นยาที่ทําจากน้ําปัสสาวะเนี่ยผสมด้วยตัว ย, ยาต่างๆมีคนเป็นโรคผอมเหลืองมาถึงก็บอกเขาว่านี่นายน้ำมูดตัวยาที่มาผสมกับน้ํามูดเนี่ยถ้าคุณดื่มเถอะแต่ว่าคุณกําลังดื่มไม่อาเจียนเพราะสีเพราะกลิ่นแต่ว่ารสไม่ดีเลยอันนะั้นก็เพราะอะไรพราแหมยาน้ําที่ทําจากปัสสาวะมันจะไปรสอร่อยอย่างไหนอนะันนั้นแต่ว่าเมื่อคุณดื่มเสร็จแล้วคุณจะมีความสุขหายโรค เขาก็เลยดื่มโดยที่พิจารณาแล้วไม่ยอมบ้วนทิ้งนะถึงจะรู้รสชาติห่วยมากนะไม่อยากดื่มไม่อยากกินเลยแต่ว่าก็ยอมดื่มกินเพราะเวลาที่เขาดื่มอยู่นั่นแหละไม่อจีนเนี่ยนะเสร็จแล้วพอดื่มเสร็จหลังจากนั้นก็หายทุกปราศจากทุกขแล้วก็มีแต่ความสุขฉันใดบางพวกก็เหมือนกันเนี่ยนะทีะ่สมาทานยึดถือสิ่งที่ทุกปัจจุบันเช่นรักษากุศ ล, ลกรรมบท เรียกว่ากล่อมกลืนฝืนใจรักษาศีลเนี่ยนะคนอื่นเขาก็ต่อว่าบางหมู่บ้านเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยไม่ใช่ว่าเรารักษาศีลแล้วจะมีความสุขนะเดี๋ยวคนโน้นก็ว่าบ้านโน้นก็เน็บเอาบ้านขวาบ้านซ้ายบ้านขวาบ้านหน้าบ้านหนาานลังไปที่ทํางานเขาก็ต่อว่าเอาเนี่ยนะตั้งชื่อให้เราพิเศษพิเศษเป็นมหาโดยที่ไม่ต้องสอบบาลีเป็นต้นเน่ยนะก็ตั้งชื่อเป็นต้นโอ้ยสารพัดอย่างทั้งเน็บทั้งแหนมเป็นต้นเนี่ยนะปัจจุบันเนี่ยเป็นทุกข์แต่ว่าอนาคตต่อไปก็ให้ผลเป็นสุขเนี่ยนะ เขาบอกว่าคือคือเขามาไม่ได้คิดเพื่อที่จะลักษณะเอียดยามเนี่ยนะแต่วิธีฝึกคิดเพื่อให้เรามีความอดทนเราเดินผ่านที่ที่ที่สุนักมันเยอะๆเนี่ยมันจะแบบมันจะมอบแล้วก็นอบน้อมพี่นอบพี่เท่ากับเราไหมไม่แล้วมันทำยังไงวิสัยของเขา มันก็เห่ามันก็หอนมันก็อะไรเป็นต้นแล้วก็ทําใจที่ว่าเอ้วิสัยของสัตว์บางพวกเป็นอย่างนี้นจริงๆถ้าเราไปอยู่ในที่ที่แมลงมันชุมยุงมันชุมเนี่ยมันจะบอกว่าโอ้มันจะจะมาช่วยบินใกล้ๆเราจะได้แบบสบายๆให้ลมดีไหมไม่มันก็มากัดพวกยุงพวกเหลือดพวกไรทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นนิสัยของคนที่ทํากรรมเพื่ออนาชาตชาติต่อๆไปเขาจะได้เป็นยุงเป็นไรเป็นอะไรเป็นต้นเขาก็จะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปหนักใจอะไรกับเขาหรอกเราสงสารเขาเถอะ เขาเข้าเนี่ยแยกดีแยกชั่วไม่เป็นเลยเนอ้อเนี่ยนะสงสารเขาเถอะเราเนี่ยอดีตเขาเคยทําแบบนี้มานี่แหละพอชาตินี้มาเราเริ่มมารักษาศีลคนอื่นมาคอยกันแนกกันแหนะมาคอยถากคอยท้างแสดงว่าเราไม่ธรรมดาเหมือนกันนะในอดีตเนี่ยนะแสดงว่าเราในแบบมันสุดยอดเหมือนกันนะในความเลวเนี่ยนะนะแสดงว่าเห็นคนทําดีเนี่ยเราก็เนบอ่ะนะแสดงว่าเนบบ่อยมากเลยสังเกตนิสัยนะคนเนี่ยจะได้รับวิบากในสิ่งที่ตัวเองทามา ถ้าชอบเป็ดถ้าถูกเน็บบ่อยๆนะแสดงว่านิสัยเราก็ชอบแว่งกัดคนอื่นไ ม, ม่เบาเหมือนกันเนีนะเราก็ไม่ใช่ว่าคนดีมาแต่ไหนแต่รมารอกเนี่ยนะก็ทําใจเอาเถอะถูกคนอื่นเขาด่ามาบ้างจริงๆแล้วถ้าเขาคำที่เราเคยด่าทั้งหมดนะมันย้อนกลับมาหาเราเราก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนั่นแหละเนี่ยนะจะไปเข้าข้างตัวเองบารมิตรษาศีลบ้างก็ทําเป็นคนดิบคนดีลอยมาจากวิมานสวรรค์ชั้นฟ้าอะไรที่ไหนหรอกเนี่ยนะนะพื้นฐานก็ไม่ได้ดิบได้ดีมาจากไหนมันก็อดทนเธอเนี่ยนะ ก็บอกเอ้ยนี่กรรมเอ้ยนี่มันเพิ่งให้ผลเนาะว่างั้นน่ยสมเหตุสมผลแท้เนี่ยนะตอนนี้บาปมันก็ให้ผลแล้วตอนนี้เรามาทําบุญทำบุญให้ผ ล, ลเราจะมีความสุขอย่างเดียวว่างั้นก็ต้องคิดนะนะว่าเดิมยาอะไรนะเดิมเดิมยาที่ผสมกับน้ํามูดเนี่ยนะก็เป็นอย่างนั้นอันสุดท้ายก็บอกว่าน้ําส้มเอ่อเรียกว่ามีนมส้มเนยน้ำพึ่งเนยใสน้ําอ้อยที่เอามาระคนกันเนี่ยนะ บุคคลนะัเป็นโรคลงแดงมาถึงคนก็บอกว่านี่ น, นายนี้นมส้มผสมน้ำพึ่งเนยไซยน้ำอ้อยมาราคอลกันถ้าคุณต้องการก็ดื่มเถิดทั้งคุณดื่มอยู่นั่นแหละไม่ว่าสีกลิ่นรสไม่ทำให้อาเจียนแต่ว่าดื่มเสร็จแล้วคุณก็จะมีความสุขเรียกว่าได้ตัวยาอย่างดีชนิดพิเศษดื่มก็อร่อยเนนะนะเขาดื่มโดยที่พิจารณาเรียบร้อยแล้วก็ไม่บ้วนทิ้งเมื่อกาลังดื่มอยู่นั่นแหละเขาไม่ อาเจียนพระสีกลิ่นรสเลยเมื่อดื่มเสร็จแล้วก็มีความสุขชันใดาการรักนะการสมาทานธรรมะแล้วปฏิบัติเนี่ยนะสิ่งในเปสิ่งที่เป็นสุขในปัจจุบันและเป็นสุขต่อไปในอนาคตก็ฉันนั้นเปรียบเหมือนดื่มนมส้มผสมน้ำผึ้งเนยใสและน้ำอ้อยเนี่ยนะมีแต่ความหวานมีแต่รสอร่อยชันใดบางคนเขาประพฤติปฏิบัติธรรมก็ฉันนั้น ภิกษุทั้งหลายในฤดูศาสตร์เดือนท้ายฤดูฝนเมื่อฝนซาลงเมฆ ก, ก็ปราดไปพระอาทิตย์ก็ขึ้นสู่ท้องฟ้ากำจัดความมืดในอากาศย่อมแผดแสงสว่างจ้าฉันใด เคยดูดวงอาทิตย์ตอนเช้าไหมเวลามันขึ้นน่ะฉันใดพี่สู่ต่างหลายฉันนั้นเหมือน ก, นการสมาทานประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นสุขในปัจจุบันและเป็นสุขที่ต่อต่อไปก็เหมือนกันขจัดการติเตียนของสมณะพราหมณ์เป็นอันมากแล้วสแสวแสงสว่างแจ่มแจ้งรุ่งเรืองฉันนั้นเพราะอะไรเพราะพวกนี้ ปัจจุบันเนี่ยรักษากุศลกรรมบทยังมีความสุขและต่อไปก็จะไปสู่สุคติโลกสวรรค์พวกนี้มีแต่ความรุ่งเรืองมีแต่ความรุ่งโรจน์เหมือนดวงอาทิติเนี่ยนะที่ส่องสว่างปราศจากเมฆหมอกในฤดูศาสฉนั้นเนี่ยนะแล้วก็เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสพระสูตรนี้จบลงพระพิสุเหล่านั้นก็ชื่นชมยินดีอนุโมทนาภาสิทธ์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ เพนก็จากธรรมสมาทานสูตรเนี่ยนะพวกเราทั้งหลายหลายท่านที่มาศึกษาประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนปัจจุบันอาจจะทุกข์บ้างก็ทนไปเถอะแต่ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งความสุขต่อไปในอนาคตผู้ที่มีความสุขอยู่แล้วก็ขอให้ประสบแต่ความสุขต่อไปในอัตตกรฐานหน้า385ท่านบอกว่าสูตรนี้เทวดาชอบมากเทวดาชอบมากเขบอกว่าเป็นสูตรที่เทวดารักใคร่ชอบใจมาก เขมีเรื่องเล่าเนี่ยนะที่ที่ประเทศศรีลังกาทางทิศใต้เนี่ยมีจังหวัดชื่อว่าหัสดสเดปโขกมีวัดบางูนอยู่ที่นั่นที่ประตูโรงอาหารของวัดนั้นมีเทวดาสิงอยู่ที่ต้นบางูนตอนกลางคืนพิสูหน่มรูปหนึ่งกําลังสรุปพระสูตรนี้ด้วยทํานองบทสวดคือคือเอาพระสูตรเหล่านี้มาแสดงเนี่ยนะอ่า เทวดาที่อยู่ต้นไม้นั้นก็อนุโมทนาสาธุการพิกษุนมนุก็ถาว่านั่นใครบอกข้าพเจ้าเป็นเทวดาที่สิงอยู่ที่ต้นไม้นี้พิสุนมนุกเขาบอกว่าท่านเลื่อมใสในอะไรในเสียงหรือในสูตรกขาบอกว่าท่านผู้เจริญใครใค ร, ใครก็มีเสียงทั้งนั้นแหละแต่ข้าพเจ้าเลื่อมใสในพระสูตรวันที่พระศาสดาทรงนั่งแสดงอยู่ที่พระเฉตวันในวันนี้ไม่มีใคร เรียกว่ากับสิ่งที่ท่านสาธยายไม่ต่างกันทั้งโดยอัฏฐะและโดยพยัญชนะไม่ต่างกันแม้แต่อักขรตัวเดียวก็บอกว่าภาษาสดาแสดงให้ท่านฟังหรือก็บอกใช่แล้วท่านยืนฟังอยู่ที่ไหนก็บอกว่าข้าพเจ้าวันนั้นข้าพเจ้าก็ไปที่เชตวันเหมือนกันแหละแต่เทวดาคนที่มีบุญหนักศักใหญ่เนี่ยนะมาข้าพเจ้าก็เลยคนบุญน้อยก็ต้องถอยให้คนบุญมากใช่ไหมเคยไปไม่ไปอยู่ที่ตรงไหนนะ พอเราไปอยู่เนี่ยคนบุญมากเขามากไล่ที่เราไปหมดเนี่ยนะก็เหมือนกับว่าอย่างในเมืองต่างๆนี่ก็เหมือนการถูกไล่ที่ออกไปเยอะพวกบุญน้อยนะนะที่อยู่ลําบากกว่างนันเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าเลยได้มายืนฟังอยู่ที่นี่แหละว่างั้นพระพุทธเจ้าอยู่เทศตะวันแต่ยืนฟังอยู่ที่ศรีลังกาก็ห่างกันเป็นพันกิโลเนี่ยนะเกือบสองพันกิโลอะ่ะภิกษุณีก็ถามว่าเอาท่านอยู่ที่นี่ได้ยินเสียงพระพุทธเจ้าด้วยหรือก็บอกได้ยินแบบ ได้ยินหรือจ๊ะเขาบอกได้ยินเหมือนกับว่านั่งเนี่ยนั่งพูดอยู่ข้างๆหูนี่แหละเหมือนพระพุทธเจ้ายืนอยู่แสดงข้างหูเขาบอกแล้วท่านเห็นรูปพระพุทธเจ้าไหมได้ยินเสียงเหมือนพระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้ฟังข้างหูแล้วเห็นหน้าพระพุทธเจ้าไหมเห็นคิดว่าพระพุทธเจ้าดูแต่ข้าพเจ้าคนเดียวเลยตั้งตัวไม่ติดเลยมันนั้นอ่ะเขาบอกว่าเหมือนอะไรเคยเกลางคืนเดือนแสงจันทร์สองสว่างไหมถ้าอยู่กลางคืนเดือนแสงจันทร์สองสว่างเนี่ยนะ มันก็เหมือนกับดวงจันทร์ส่องให้เราดูอยู่คนเดียวเพราะเราไม่ค่อยมองเห็นคนอื่นว่าคนอื่นเขามองเห็นหรือเปล่าดวงจันทร์เหมือนกับส่องให้แต่ตนคนเดียวฉันใดพระพุทธเจ้าก็ฉันนั้นเนี่ยนะก็แสดงธรรมเนี่ยพระพักของพระองค์ก็จะปรากฏต่อผู้ที่ฟังพระองค์เหมือนกับดวงจันทร์ส่องสว่างเสียงก็เหมือนกับว่าคุยกับเราคนเดียวนน เพราะฉะนั้นวันนั้นเนี่ยเทวดาก็บรรลุโสดาปฏิผลคือวันที่ฟังจากพระพุทธพจน์เพราะสูตรเหล่านี้สูตรเหล่าใดเป็นที่ทําให้เป็นเหตุให้เทวดาบรรลุมรรลผลสูตรเหล่านั้นจะเป็นที่ชื่นชมชื่นชอบของเทวดาทั้งหลายเนี่ยนะท้ายที่สุดนี้ก็ขอให้พวกเราทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในธรรมมสมาทานที่เป็นสุขในปัจจุบนันแล้วก็ได้รับความสุขต่ อ, ต, อต่อไปโดยทั่วนกันเช้านี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้